จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับบุญวายสงสัยจึงณมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นอให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้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 ทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องข่มจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้อวาดโยมง่ายๆแต่มันง่ายใ่การพูดนะทามันยากน ะ, ะเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้อง <c oughs> ทาจิตอันนี้อย่างเดีวอพระนั้น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 แด่ก่็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเขาออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในด้วยลมหายใจเขาออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำโดยการปล่อยวาง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 ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกและให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้และให้ปล่อยตามตภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันอยากจิตมันก็จะวางนี่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 นี่พูดถึงการการะทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเรียวนาะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดลมคอมเมนต์มากจนให้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืมแล้วก็หายใจเข้ามาอีกเสือที่มันเต็มแล้วก็ปล่อยออไปสามครั้งตั้งจิต ใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งใจเดินจงกลมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกลมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของจะของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกลมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเด้ววาอเดียยาบทนั่งกับเทียยาบด์เดินเท่านั้น บางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้ว่าให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างนะไอความเป็นจริงนี่ยผู้รู้นั่นเน่ยสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี่เรียกว่ามีสติส ต, ติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้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 ที่เอากลงมันใส่ใส่ไว้ในกลงนั้นให้มันอยู่ในกลงอันเดียวอืมไก่ที่อยู่ในกลงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกลงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ทีเรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายเพียงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนกับเมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รําคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลงไป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 ดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าถ้าดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไปไปที่ไหนแล้วมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้มันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีมีสติพึบเข้ามาแล้วมันก็มาทันทีเมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เอง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 เดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากับวิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมานั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามาเกิดความรู้สึกขึ้น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 อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดพูดเลิกเลิกเลิกเลิกหมดหมดทุกอาจารย์อย่ามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเดือดตัแต่สติสมบัติัญญากับปัญญาด้วนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะอาจารย์นั่นสอนอย่างเลอกเลิกอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกเลิก ให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญยาไยม่มีสติที่สุด ต, ตรงนี้นะต่อไปทำทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สมัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญา เห็นครบในที่นั่นเลยอืมไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเกี่ยวกัาอารมณ์นั่นเห็นดอกกันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่ารลกไม่แน่ไม่ชอบใจก็อืมไม่แน่มันเป็นนิวรณทั้งนั้นเท่านัะสิ่งทั้งหลายไอ้กูดอให้มันเตียนหมดให้เรือเดสติคือความระดึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นอืมนี่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 ลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดี๋ยวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็แห ม, มเสียดายเหลือเกินต้องคิดยากลำบากนะเอาไปเอาไปก็เรียกว่า่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนๆลูกน้อยๆ น, นะเอารูปใหญ่อย่างนี้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 บังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่เห็นมันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นสจสดงควากกสบายเรกที่เรายังไม่ให้นี่จะให้ลูกไหนนออะไรมันลําบากมากเหลือเกินนะตัดตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขามันก็ใช้ใจไปนิดหน่อยนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลยกนี่เดียวว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมานเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำอะไรเงียเดียว่าเราชนะตัวเองนะ ถ้าเราทำไม่ได้อย่างไงเด็ก่นานจะแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งนนี่อันหนึ่งเป็นสายเหตุเรียง ว, ว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจดียอันหนึ่งเหมือนกันอทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วย ช่วยให้สำระความสุขปรกในใจของเราได้แกต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พีจาราอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่ายังไงก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสตัหาละทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไป บางคนจะเขายัางงั้นกว่าเบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสเหมือ น, นแมวถ้าให้กินตามใจ ม, มันเก็ยิ่งมาด้วยเรื่อ ย, อ, ย, อ, ยอีกวันหนึ่งมันกวนนะักไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวแมวสองวันไม่เห็นคนหนี้กิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะสบายต่อไปงั้น ทำให้กิดเดลสกลัวเราอยากให้ทําให้เรากลัวกิดเด็สให้จิเลดกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดีย๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตาําราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมาก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 หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมนะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานมาเห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแม่งเบาเกลียดเออกไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัดกรูของเราประการหนึ่งนะ ที่นี้ก็เรียกว่าอาการให้ทานต่อไปนั่นก็เรียกปูดถึงเครื่องอุปการณ์ของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็นศีล อ, อะไรก็ได้ ทำข้ามที่วารษาสินเนี่ยมันสินห้าก็มีสินแปดก็มีสินสั่งร้อยยีติก็มีแลวแต่แลวแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีสินอ่าสินเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วสินนี้จะดูแลธรรมะอันั้นให้จเจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูก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 ให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนจะไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะออืืมมบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วยบางทีแม่แม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อแต่มาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านคนเรียวก็ไมหมดแล้วอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสุขกระปกทางนั้นเนี่ย อย่างนี้ต้องพยาพยามชําระพยายามชําระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี่มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหารอเด็อร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอเด็ดอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากมันลำบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดันนี้ ให้มีแม่บ้านคนเดียวกพอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวพอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้วบุญวายดูก็ได้อย่างนี้อืมไอความซื่อสัตย์สุดเจดีนี้ก็เป็นเครื่องไอกําจัดเจดีเราก็เหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์อื เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้าเมานี้มันก็รู้จักประมาณมให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเรากืมากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทั้งหลายเนี่ดูดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็ยำไปค่อยปัดเป่ามันออกนะ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 ไม่อยากไม่อยากจะพูดแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูดอ่านี่เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่มีความรักกันชื่อสัตว์เลยจะมีความสุขความเดือดร้อนไม่มี นะแล้วก็เมื่อความเรือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเยีเยนซึ่งกันและกันเนี่มีความสุขทัเนป่ยสักคะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบา ย, บายนั้นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทามาแล้วเพราะว่าทําอย่างนี้เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมาระความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึง่ง เพื่อให้ความดีนี่เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบสุขนี้ทีนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเพลินกันเนะี่ยชอบเพลินไม่อยากไปที่ไหนอชอบติดสุ ข, ข น, นั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุข มันเป็นสักกะถาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคคลาดิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทว บ, บุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านว็ใพิจารณาอีกที่หนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปลืมมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกในความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกัน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 ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งเหมมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกเกิดขึ้นมาที่ไอ้ความสุขนี้ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นเจดีอันหนึ่งอีกเป็นเจดีอย่างละเอียดที่คนทั้งหายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันนีเองล่ะ เมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบแล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ต่ณฑ์จิตให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึง่งว่าสุขนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้ น, นมาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดมันนี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินามัตานี้อมีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึง่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้น เป็นเรื่องไม่แน่นอนมะม่วงเนตามต้นอ่ะเสวยเอาใบไม้เอากิ่งไม้ไปใบกิ่งมันหล่นลงเกลือนกาดตอนเย็นกลับมาค่นนึกว่าจะมาสเวสวยผนมะม่วงก็พอดีมะม่วงพบรามาดเอาไปกินหมดแล้วท่านก็แปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทําไมมันถึงยับยืนนะ หลายคนอมัดทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามะฮวมตัวนี้มันมีผลไม่ก็ถูกไม้เรียวของเคี่ยนมันโดนตีมันโดนใบโดนใบไม่มียับยืนหมดอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้ใต้ต้นนั้นทําไมถึงเป็นงั้นอ่ะต้นนั่นต้นไหนมีผลก็ไม่มีไปไปเคียเ่ยนไปตีไปทําลายมันใบมันยังหนานเนี่ยระบ ม, มันยังดีแต่บางทีหนังเรานี่ยมันกันอย่างนั้น เราลำบากทุกวันนี้ก็พอมีลากมียศมีเส้นเชิมถูก<ฮ>อมามย์ทั้งหลายยุแย่เบียดเบียนนํำหากมากไปพิจารณาแน่กันออกบวชเห็นว่าเราเสมือนต้นมะม่วงมะม่วงมันมีผลมากเกินไปแ้วก็ก็เทียมมันตีมันตายกิ่งมันพังลงมาจนที่มันไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีผลนั่น ในที่ให้ไปเดียดเดียนมันจริ่งมันก็ะไม่หักใบมันกรดมากโรค ม, มันเย็ น, นอย่างนี้คิดที่นี้ท่านถือว่านั่นเป็นอาจารย์ท่านแล้วออืท่านก็ริบเอาอาัดคติอันนั้นจำมาในใจพิจารณาด้วยคือเรานี่จะส้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมะม่วงต้นมะม่วงเป็อาจารท่านมีแต่จะได้มีปัญญาก็ได้เหมือนกันเรามันน่าจะไปถึงนั่นนะมั้ การปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี้บวชในมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สดุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชท่า น, เ ป, น เ, เป็นผู้รับกรรมอาจารย์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบครัวอะไรมากมาย ไม่สะดวกพอแต่การปฏิบัติแต่คราวานี้ก็ได้ว่าได้เหมือนกันแค่ว่ามันออบอย่างนี้ออบมันออบมันมิตรงไว้อย่างนี้หมยมันออบอย่างนี้มันทางมันโค้งให้หน่อยลําบากมีลูกมั่งมีเมียบ้างอะไรอะไรหลายอย่างแค่วา่าเราทาได้เหมือนกันแต่ว่ามันออบไว้นิดหนึ่ทงท่าน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 ไอ้ธรรมดาจิตของเรานั่นน่ะอจิตนี้มันไ ม, ม่มีเรื่องอะไรจิตนี้มันเป็นของสะอาดอยู่ดีแล้วอไม่ต้องหว่นไว้ไปทางโน่นทางนี้เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรอืมสงบระงับอยู่แล้วเหมือนกับน้ำเราเนี่ยน้าธรมรมดาที่มันสะอาดอยู่แล้วม่นก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้ว ที่มันจะมสีสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็เพราะเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำนก็เลยสีเหลืองไปด้วยแดงไปด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปนี่ยก็เลยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดปรากศจากสีขาวเลยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นไอความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจิตปกติอยู่เฉยเดีเ๋ยว่าจิตเดิม ไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้มองจิตนี่ไม่คล่องสายไม่บริสุทธิ์เหลียวมีรักเหลียวมีเกลียดเหลียวมีโกรธเหลียวมีโรคพิดารณาการทาจิตมให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตรบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไม่หวั่นไหวกับอะไรทางนั้นเป็นปกติจิตของคนคน ถ, ถามต่อไป ถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่มีที่ที่สุดในการปฏิบัติมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธ์หรือว่าจิตอย่างหลวงพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไรจิตเดิมจิตเดิมนี่ที่เราเราสุดการปฏิบัติแล้วถูกไหมครับถ้าจิตบริสุทธิ์แล้ว เราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยแล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั้นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางพผลที่สุดแล้วก็เลยวะนี่ให้มันว่างจากสุขทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี้เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาถ้าไม่สมมุติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่ร่วมจะพูดอะไรกันฉะนั้นจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี่ขึ้นมา ถ้าความบริสุทธิ์นั่นถ้าประยามความบริสุทธิ์นั้นอีกเป็นต้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทางจบ <c oughs> เมื่อรู้จักความบริสุทธิ์แต่ผมวางบริสุทธิ์นั้นถามต่อไปว่ามีคนที่ทำจิตจิตยัน ม, มีมีอยู่ไหมครับตอนตอนตอ น, ตอนระยะตอนเวลานี้นี้ไม่คนที่ทำเป็นอันนี้ต้องถามเจ้าของเขาถามคนอื่นไม่ดูเรื่อง <c oughs> ต้องถามทางคุณบริสุทธิ์ถามว่าคุณบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี้อืมอยามเนี้ยคุณตอบบนที่ว่ามีนะนั่นดีกว่าถึงจะรู้จักถามคนอื่นไม่เคยรู้จักว่าตั้งแต่เรานั่งบริโภคข้าว้วยกันอยู่อย่างนี้ก็เนี่ยไอ้คนนั้นจนจะอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้จักเนาะบางทีคนนั้นลุกไปบอกอ๋อทำไมอิ่มแล้วนักล่ะมันท้องจะแตกแล้วคนนั้นนะอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ยังไม่รู้กันนี่นะประจักรตังเรศิตโภวิโยหีรู้เฉพาะตัวอย่างนั้น คนนี้ถามอคคนที่เป็นเป็นพ่อลูกสองคนมีลูกอยู่สองคนที่บ้านานะคราแล้วถาาเรื่องการ บ, บาทยาบานในชีวิตคารวะาเรามีมีลูกแล้วควรเลี้ยงลูกอย่างไร ถ, ถึงลูกจะได้ธรรมะแล้วเราควรเลี้ยงเพื่อให้เจริญธรรมะในตรนเราเองด้วย พ่อต้องเรียนธรรมะก่อนให้เป็นธรรมะก่อนเพาราะว่าลูกของพ่อพ่ออยู่กรรับลูกเลี้ยงลูกก็ต้องพ่อต้องลูกจะต้องมองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อต้องเป็นตัวอย่างเป็นคนดีปฏิบัติธรรมะให้เป็นคนดีก่อนจะก่อนจึงสอนลูกได้แล้วก็ได้การเลี้ยงลูกครับทต่อไปอ่า เราควรบังคับไหมหรือไม่บังคับหรือทำดีอะไเธอไให้การเลี้ยงลูกจะต้องมีปัญญาลูกในช่างหม้อไหมในช่างหม้อตีหม้อกับทางวันแต่เขาตีหม้อเขาเพื่อให้มันเป็นหม้อไม่ได้ตีให้มันแตกในช่างหม้อเขาทาด้วยลูกเราก็เหมือนกันค่อยๆสอนถึงเวลาดุกันดุบ้างแต่ให้มันดุแต่ปากใจยอย่าไปดุมัน ให้เราเป็นทุกข์แค่มันผิดเมื่อไรไม่ดีก็สอนเรื่อยไปเหมือนในช่างหมอ้อตีหมอ้อตีก็ทางวันตีงั้นแต่เกียรตนาของเขาตีหม้อเพื่อให้มันเป็นหม้อสวยงามไม่จะตีให้มันแตก<อ>แล้วสอนลูกเราวิธีอย่างนั้นงั้นไหมเรายากไหมเป็นคราวาัสมันยากยาแค่ไหนปฏิบัติเนี่ยคราี้ทำรื่อลูกด้วยอยู่บ้านาราทำมาสมมติวยย่าเราจะเราจะออก ไปปฏิบัติที่ดีหรือว่าที่อืน่นไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลีล้ยงดูเปลาเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้ยงแล้วก็เข้าหวานได้ไหมอืมเรามีบรรดาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้ไอ้ไอ้คนเลี้ยงดูเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงลูกเราได้ไหมถ้าเรามีพอพอได้ให้ลูกเราเป็นสุขสบายให้ลูกเราใหญ่โตมาได้ให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้แต่ว่า มีขายจ้างรางวาัลในคนเลียงเขาจะพอเรียงได้ไมากอย่างนั้นเขาดีเขาเขาเขาคิดว่าลูกนี่สอนได้แกงกว่าพ่อได้พ่อได้แนละ้วลูกเป็นอาจารย์เขาแล้วแ <c oughs> สดงความว่าเรียนลูกนี้มีปัญหาอะไรลูกทําให้เกิดปัญญาของของของคนนี้ <c oughs> จะเอาลูกเป็นอาจารย์ก็ได้แต่จะไปเป็นถาดมันนะ ของนิดเดียวนี้เ น, นี่ยที่เราที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยทําให้มีปัญหาขึ้นนะถ้าไม่มีปัญหาขึ้นเพราะตัวเราทํามีมีรูปขึ้นมันเดยกเกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ความไปจีงของขนาดนี้มันของเ ข, นขานี้เท่านั้นเนี่ยแถวเนี้ไม่มีอะไรแล้วเราไปทํำมันยุ่งยากขึ้นทำไมเถวเนี้ยขอแล้วช่น นี่คือเราไม่พิจารณาแล้วไปก่อนจะมันเลยภายหลังมันรู้จักเกิดมาได้เป็นปัญหาเกินก่อนเมื่อจะทำก็นึกว่าปัญหานี้ไม่ค่อยจะมีนะอืเมื่อทำเกิดปัญหาเกิดภายหลังแล้วก็ต้องเป็นปัญหาขึ้นเขาถามเรื่องบวชแมชีในเมืองไทยเขาเคยเข้าใจว่าบวชแมชีอยู่ในเมืองไทยยาก แล้วยากอย่างหนึ่งเพราะว่าชีนี้ต่ากว่าพระอยู่อยู่ในเมืองไทย <c oughs> ผู้หญิงที่เมืองไทยไม่เคยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกาอืมแต่ถ้าหากว่านายธรรมทําให้คนอิสระเอทุกอย่างมันเป็นอนนีจ้จะไม่ยชายอันนี้สูงกว่านั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันสูงต่ากว่ากันอย่างนั้นนี่เขาทำไมเป็นอิสระทํำไ้เรายอมนะ <c oughs> ให้ใจมันยอมละวางอย่าไปคิดว่ามันมีสูงมีต่ำปฏิบัติไม่มีสูงมีต่ำเขาจะเอาไใบตรงนู้นก็อยู่ดิทาไมจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตันหานี่ครับมีความอยากใหญ่อยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละเข า, าจะทำไงกันเขาจะพูดใบดีก็ปล่อยมันใช่ไหมาจะพูดใบชั่วก็ปล่อยมันไม่ต้องไปยึดถืออย่างนั้นเนีะเออความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชเรื่องเดียวก้ว่า ไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์เขาเมื่อวานนี้ดูดางวัดประพงไม่เห็นผู้หญิงแล้วเขานึกว่าผู้หญิงมีบวชไม่ได้หรือว่าถ้าถ้ายยูได้ก็ต้องอยูชั้นต่ำกว่าผู้ชายเขาคิดเนี่ไม่มีต่ํามีสูงหรอกเดีย๋ยวนี้ฉันนั่งอยู่บนเนี่ยถ้าคุณนั่งอยู่ต่ำคุณก็เสียใจดีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่ยอมฟังปัญหานี่เพราะว่าฉันมันสูงกว่านี่ ยังงันก็นั่งเสมอกันที่สูงกว่านี่เอ่ยังงั้นดีดไหมเมือม่อเมื่อสองวันก่อนตอนเทศว่าผู้ถึงอนัตาตาแล้ว ท, ที่แปลมันภาษาอังกฤษเรื่องอนัตาตาคนดีไม่เคยเข้าใจลองให้อธิบายหน่อย อ, อนัตตานั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเล่า เพราะเรียกว่าสมมุติเขาไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้อไอความเป็นจริงเนะตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก่อนนี้เป็นของฉันเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงก้อนนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังที่ว่าของเรา ผ้าของเราคุณจงอย่ากเก็บไข้นะคุณอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้อ่าเมื่อเราจะปวดที่สะอย่างเงี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุยาต จ, จากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดที่สะซะหน่อยนะมีไหมในนี้เดี๋ยใครมันปวดอย่าปวดกับปวดเองมันนะ มีไห ม, รมรหรือมันขออนุญาตเราไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นอนาัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมุติเท่านั้นเหมือนอยากปวดที่สามก็ปวดเลยมันมีอํานาจไม่มีเจ้าของแล้วอยากจะปวดท้องก็ปวดเลยไม่ยึดแต่บังคับบัญชาของเรานั่นทันเรียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ฟังความเรามายึดไม่ยึดแต่อานาจของเราอย่างนั้นที่เรียกว่าตัวเราเนี่ก็เป็นของสมมติเฉยๆไปรู้จักเท่านั้น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 คือใครเป็นผู้ครองครับไม่ไม่มีตัวไม่มีต้องใครเป็นผู้ครองชีวิตของชีวิตเนี่ยชีวิตของเราชีวิตของเราของเราของตัวเองอ๋อรู้สึกความันมีมีผู้ครองหรือว่ามีความชีพคือมีมีเจ้ามีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมูิขึ้นมาคือผู้รู้น่ะคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดก็จะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้ คนคลองไม่มีอำนาจอยาตายนะัะไม่ได้อย่าแกนะไม่ได้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยๆห้รู้จักนั่นนีเ่เฉยๆแกรับรองเดือดขาดไม่ได้ก็เรื่องมันเป็นอย่าง น, านั้นอันตารรรมันเป็นไม่มีใครไปคลองมันคลองมันไม่ได้มันไม่ใช่ใครยอะเดี๋ยวไปเข้าใจครับเ <c oughs> ข, ข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยังไม อ, อใช่ <c oughs> ต้องทําจิตเห็นมันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แะ อืกินไปคำหนึ่งไม่ไม่อิ่มหรอกกินข้าวต้องค่อยๆกินเรื่อยๆได้หลายคํามันเรื่องอิเนี่ยกินคํำเดียวอิ่มมันก็สบายเข้าไปคานึงก็สบายต้องกินเรื่อยๆไม่หลายคาอิีมมันต้องอิมีเหตุผลนะครับ ถ, ถามอถ้าไม่มีตัวตนไม่มีคนนะแต่ว่า นายพุทธศาสนานิคอนผูดเถิงชาติเถิงหลายชาต์นี่ทั้งไม่มีตัวตนมันเป็นอรายที่เกิดมาใหม่ย้อนกลับมามันเป็นสมมุติมันเป็นสม ม, นนสมุติขึ้นมาตัวตัวนี้เรียกว่าสมมุติมันเป็นสมมุติตัวตนขึ้นมาอย่างคนเน่ยเกิดมามีชื่อไหมครั้งแรกชื่อของคนมีไหมเกิดมาปุ๊บมีชื่อตามมาเลยเด็กเขาเขียนติดมือไหมมีชื่อไหมมาเกิดมามีชื่อพร้อมไหมฮะไม่มี ไม่มีชื่อก็เดี๋ยวนี้มีชื่อไหมเดี๋ยวเนี้มีพามาจากไหนคนคนไทยแน่ใช่ไหมไม่มีอ่ะคนสมมุติแค่นั่นเท่านั้นฉนั้นฉะนั้นเรื่องอ่าอ่าตายเกิดไม่มีแสดงว่าจะไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดเลยไม่มีใครแล้ว เดีเป็นใครมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละแล้วตอเราตายแล้วเราลองให้เท่านั้นแหละนั่นท่านเรียกว่าอนัตตาเน่ยต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเก็ไม่มีอะไรเป็นเราก็ปล่อยทั้งขานี่ธรรมะเกิดได้มันดับไปเนี่ยแค่เรียกว่าอะไรมีไหมถ้วยเนี่ยแกม ได้มาจากไหนครับเด็กวแก้วนะอันนี้มันบอกเราด้วยเป่าแก้เป็นของสมุด so ด้งานเนี่ยเ <c oughs> มืองไทยเขาว่าจอบอ่า <c oughs> ั้นี้เรียกว่าแก้วฮะทาไมไม่เหมือนกันอย่างนั้นีน่ทั้งนี้เรียกว่าแก้วไทยเด็วกว่าจอบก็มาถกเถียงกันนะทะเลาะกันแบบไปตีกันแย่งกันตายอันนี้ก็เป็นอย่างเก่านี่นี่สมมุติมันไม่มีของใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทั้เนี้มันว่าง ได้เอาสิ่งที่มันตั้งชื่อมันเป็นสมมติว่างล้าก็มาเถียงกันอยู่นี่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นนะอยู่เนี่ยมันเสมอกันเนี่ยผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตามความจริงแล้วแต่ว่าสมมติกันคือนะอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายถ้าคนสมมติครั้งแรกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นผู้ชายนะคนจะเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงเมแต่วาทปรวันเนี่ย เดี๋ยวนี้เ้าบว่ารูปนั้นเป็นผู้หญิงก็ได้เรียกผู้หญิงมานี่เป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมาคนสมมติครั้งแรกสมมติอย่างนั้นถ้าสมมติครั้งแรกผู้นี้เป็นผู้หญิงผูนั้นเป็นผู้ชายก็ได้ผู้นี้เป็นผู้หญิงตลอดมาโคนต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นนางโพเดี๋ยวนี้สมมุติอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นะจบแล้วเดี๋ยวจบเป็นนางโพเลย่ะนี่คนละทึ้งเป็นทุกข์มาก พ่อไม่รู้ทำอันนี้ถ้าเก็บก็รู้สึกว่าเราเก็บเป็นเราทั้งนั้น่ะเสียกว่เราเสียได้ก็เราได้สุกขกวเราสุขทุกข์กวเราทุกขเเก์เลยเป็นตัวเรามันถึงทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาแล้วอันนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาสภาวธรรมมันเกิดมในกระดับไปทั้งนั้นถึงแม้จะตายแล้วก็ไม่มีทุกข์พาะไม่ใช่เราตายนี่อืถ้าจะเก็บเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทุกข์นี่เราก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอืมันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้น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 ไม่อยู่ตามบังคับของเราเราอยากให้อยู่ใต้อำนาจของเรามันก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งหลายมันเหนือเราแล้วเราจะไปอยู่เหนือมันไม่ได้อือก็กลุ่มกันที่ว่าผู้หญิงอยากเหนือผู้ชายนี่อืมันก็เสมือไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอเรื่องร่างกายสมมุติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือมันกันอย่างนั้นอืมนี่เราจึงมีทุกข์กันมากทุกวันฉะนั้นจึงได้มาทำกรรมฐานกันให้รู้อย่างนี้ทุกวันนี้เพื่อให้รู้อันนั้นเพื่อจะไม่มีทุก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 เขามาถามผู้หญิงที่สอนด้วยกจักรกลันเมื่อวานี้ที่หลังเขาบอกว่าตกลองอยา ก, กำหนดลมหายใจเขาออกเดี๋ยวนี้ให้กำหนดรูปกายเท่านั้นให้รู้ว่าเรานั่งที่นีรู้รู้กำหนดความรู้สึกของกายนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้กำหนดกายแบบนั้นบอกว่าจิตมันขึ้นฟุงงซ้านมันไปที่ไหนมันความนึกคิด เกิดมากจะทำอย่างไรอย่างไรให้ได้ผลยังไม่เข้าใจในการกำหนดไอ้เราเราเดินไปเดินมาเรานั่งทำงานเราหายใจสะดวกไม่สบายไหมสะดวกสบายกำหนดสะดวกนั่นคุณไปยึดมันเกินไปเนี่ย คุณนั่งเดี๋ยวนี้ก็หายใจลา บ, บากไม่ได้เนี่ยเรารู้รู้อยู่แต่ว่าไม่หยุดไม่นั่งต้องหยุดสิต้องหยุดต้องทําทําเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทําไมมันถึงหยุดได้เดี๋ยวนี้ทำไมมันเปลี่ย น, นได้เดี๋ยวนี้เราต้องพยายามทําจิตอย่างนั้นอืมแล้วก็แม้เราจะทานข้าวอยู่ทำไมท่านเราไม่ทานข้าวอยว่ลมหายใจมันก็ออกสบายไม่ไม่รําคาญทําไมเพราะโยไม่มมไปยึดมัน ที่บอกกำหนดนี่มาให้ไป ย, ยึดนะให้รู้มันเฉยๆกำหนดตูเฉย ๆ, ยๆนี่คุณไปยึดมันซะมันยาวไปมั่งมันสั้นไปมั่งยาวไปมั้เกิดลมใช้รมไม่เป็นอึดอันเท่านั้นเนี่แล้วคุณก็ต้องคิดว่าเมื่อเราอยู่ย่เฉยๆเรานั่งนอนอยู่ทําไมเราหายใจมันสะดวกทําไมเพราะอะไรเราพยายามไปไปดูวิทีนำมาตั้งในเวลานี้เพื่อให้ปล่อยตามสบายอย่างปัญหา<ม>ของเขาเกิดอย่างนี้คือเขาเคยบากีบัติ การมาถานแบบอื่นแบบแบบคิดว่าแบบเห็นดูที่ให้ที่ให้บังคับจที่มีสองสามวันแล้วมันมันยังบังคับอยู่อแบบบังคับนั่นสบายไหมกิเลสมันเบาไว้ไหมหมดเบาบางครับเนาะเบาบ้างเบาจริงๆมีไหมเราาะลดลงนะครับลดลงแล้วก็ทําทําแบบเก่านั่นก็ได้เหมือนกันทํามันจะสบายเนาย ถ้าเข้าใจเร า, าบอกว่าความจริงแบบนั้นชายตลอดกันไม่ได้อืมในความเป็นจริงคือทำนี้ไม่ให่บังคับให้มันเป็นอิสระลมให้มันปล่อยตามเรื่องของมันสบายแต่เรากําหนดรู้เที่ยวเราให้กำหนดตัวเราไม่ใค่ให้เราให้บังคับอย่างนั่งแล้วติดกดขัดนี่ดูสิบวุ่นวายเลยเราไม่ใช่บังคับปล่อยตามลมการกระทําทสมาที่การทำหรือการปล่อยวาง ไม่ใช่ว่าทํำในการยึดหมายยึดมั่นปล่อยวางให้ลมก็ให้มันเป็นลมอะไรปล่อยตามเรื่องสบายแต่ให้ความรู้สม่ําเสมอเท่านั้นแหละเมื่อมันสามารถเสมอจิตมันก็หยุดหายใจมันก็เบาลงเบาลงน้อยลงเบาละเอียดลงไปเรื่อยๆกายมันก็เบาขึ้นจิตมันก็เบาขึ้นลมมันก็เบาขึ้นเมื่อถึงความสงบเท่านั้นเลยเนี่เป็นอย่างนั้นแล้วทํายังไม่เคยถูกมันวางจิตยังไม่ถูกวางลมยังไม่ถูกตังแต่เนิ่นนั้น